มอควรต้องลงที่ความทุกข์ลงที่ความทุกข์เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์ คนอื่นๆทั้งหลายที่เราไปรักษานะีมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์มีแต่ความทุกข์ทุกข์เพราะความบาดเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายเราก็ไม่ได้สามารถไม่สามารถจักษาเขาได้เขาค่อยๆทยอยตายตายตายตายกันไปเรื่อยๆต่ตอตาเราในพิจารณาเห็นความจริงเดี๋ยวตรงเนี้ย เห็นว่าคาถาทีเราเป็นหมอเนี่ยยังช่วยเขาไม่ได้เลยแต่ละคนเห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์จริงๆขนาดเราเป็นหมอเองเราก็ยังตายต่อหน้าต่อตาเราอย่างเจ็บใกล้ได้ป่วยแล้วก็ล้มหายตายจากตายไปต่อหน้าต่อตาเราเราก็ช่วยเขาไม่ได้มันเป็นทุกข์จริงๆมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์เห็นทุกอย่างเนี้ยต้องเห็นว่า การเกิดมาเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทุรนทุรายทีหโดนกระเสือกกระสนจนตายเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆเราเนี่ยเป็นหมอเห็นเขาตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยทุกเป็นทุกข์เป็นทุกข์เราเองก็ไม่สามารถช่วยก็ได้เราเองก็เหมือนกับเขานั่นเอง ถ้เราเป็นหมอเราก็ไม่สามารถรักษาตัวเราได้เรากอดีดูเราก็ต้องเหมือนกันเราไม่สามารถห้ามความแก่ได้ไม่สามารถห้ามความเจ็บคข้ได้ป่วยได้เราไม่สามารถห้ามตัวเราให้ไม่ตายได้เราเองก็เป็นทุกข์สังขารร่างกายเราก็เป็นทุกข์เหมือนคนอื่นเหมือนกัน <IDs. S 1> ต้องเห็นของหมอเนี่ยต้องเห็นชี้ลงที่เป็นทุกข์ คามเกิดมาเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ทั้งคนอื่นและก็ตัวเราต้องเห็นตรงเนี้ยจมันจะปลงปล่อยวางน้อมน้อมนอมน้อมก็หาใจตัวเองปลงปวางปลงไปวางปลงปวางอย่างเงี้ยมันจะมันจะได้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเรามาพิจารณาอยู่แต่ตัวเราเองมาเก็บตัวอยู่อย่างเงี้ย จะไม่เป็นจิตไม่เป็นถึงแม้จะมาอยู่กับหลวงตาอยู่เนี้ยเป็นแต่ความรู้ความเห็นควาเข้าใจแต่ใจไม่โปร่งปล่อยวางจริงๆริงหมอเนี่ยต้องไปประสบกับความจริงคืออยู่กับคนไข้แล้วก็เห็นความลมหายใจจากของคนไข้ต่อหน้าตตาเราไปเรื่อยๆอันเนี่ยหมอจะจะรู้สึกเองเป็นความทุกข์นั้นแล้วก็จิตมันจะอาจจะความปุ้งซ่าอาจจะความมาแช่อยู่กับตัวเอง เคยหลงอารมณ์ไปเจอแล้ววิ่งหนีเลยค่ะทำมันเหมือนมันรับสภาพไม่ได้เลยที่เห็นเขาตายไปต่อหน้าต่อตาแล้วมันมันรับไม่ไหวมันทําใจไม่ได้มันแบบวิ่งหนีเลยอ่ะค่ะคือมันแบบมันจี๊ดในใจมันอยู่แทบทนไม่ได้เลยค่ะกับสภาพตรงนั้นก็นึกว่าแบบเออติดอารมณ์ไปอีกแล้วก็พยายามหนีออกไปแต่ไม่รู้มันแบบ ผมอาจจะเสียแทงอะไรได้ขนาดนั้นทำไมมเป็นอย่างนี้ถือก็อพยายามหนีตลอดแหละค่ะไม่มีทางหนีได้อมันแบบทุกทีเราหนีอย่างนเนี้ยพีกิดแล้วหนีอย่างเนี้ยค<า>งหนีแบบนี้มาหลายชาติแล้วเคยดูหนังสินเดอรเล ล, ล่าไหยค่ะ<า>ไม่นจะไอสินเดอรเลล่าเรียกอะไรนะ<อ>ในติงเกนรึเปล่าพอร์ตินในติงเกน ที่เป็นรักษาคนไข้อ๋อพยาบาลเออพยาบาลรักษาคนไข้ในสนามลบอะไรเราเป็นนักสื่เกมแต่นี่เป็นหมอเราคงเป็นหมอที่ช่วยเหลือคนไข้ยอย่างนั้นะเห็นความทุกข์ยากลําบากของคนไข้ยอย่างเงี้ยมาหลายชาติเป็นทีนะเปิดมาชาติใดก็เป็นหมอแล้วก็เห็นคนไข้หลงหายตายจากไปตอหน้าต้นตาที่รักษาเขาไม่ได้เความเสียใจที่ทนไม่ได้ ควาทุกข์เรารามามันจะแท่มันเจียบแทงจิตใจตรงเนี้ยมาหลายชาติเต็มทีแล้วน่าจะเป็นยนง <c oughs> เอาตรงนี้มาพิจารณา <c oughs> แต่มันยังไม่ <c oughs> ก็ยังไม่ที่ตึงก็ยังไม่ไม่เข้ามาถึงตัวเองนะอ <c oughs> แต่มันจะเดี๋ยวตรงเนี้ก็ค่อยๆเข้ามาเข้ามาถึงตัวเองแตาไม่ตัวองเนี่ยเรื่องปกคุมเรื่องระดับความหลงความหลงหยึดถือตรงจิตบ้านถือมัน่นมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันก็จะไม่ มันจะไปเห็นจากคนอื่นเป็นความทุกข์ที่คนอื่นพัดพาลมหายใจจากแต่มันจะยังเข้าไปถึงตัวเองเดีเ๋ยวยังเข้าไปถึงตัวเองแต่ตรงเนี้ยก็จะเจียดแทงเข้ามาจะถึงตัวเองขึ้นเลยขึ้วเองก็เข้ามาเลยเข้ามาเรืยเราก็ต้ อ, องช <c oughs> ่วน้องเข้ามาเพราเราก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยเราก็ต้องเป็นอย่างเนี้เราก็ต้องเป็นอย่างเนี้ไม่อ่านนี้จะอื่นเป็นได้ <c oughs> จดยากมากเลยคนะ่ะเพราะว่า คนไม่ค่อยได้กับตรงนี้ยมาตลอดเลยค่ะรู้สึกว่ามันหนักที่สุดในชีวิตแล้วที่จะ ต, ต้องเจอภาคไปอย่างเงี้ยเราวิ่งหนีแล้วร้องไห้อย่างเงี้ยถุกท ร, รมานอย่างเงี้ยคงจะหลายชาติเต็มทีแล้วเกิดมาทีไรก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหมอมาอย่างเงี้ยไม่รู้กี่ชาติลแล้วว่าแล้วก็ต้องทุกข์ทรมานกับการรักษาคนไกล้แล้ะตีเอ็มคนไกล้ต้อง ลมหายตายจากไปต่อหน้าตกงาที่ไม่สามารถช่วยเหลือเขาได้อันเนี้ย้รงคงจะเป็นอย่างเนี้ยนานๆเจ็มที่แล้วแต่ตรงนี้มานอนเขา้าและที่สุดก็ต้องนอนเข้ามาถึงตัวเองเราเองก็ไม่อ น, นี้จากความแก่ความเจ็บความตายความลมหายตายจากความผัดผ่าไปได้มันก็อยู่ในหมวดพิจารณา เนี่ยแหละแต่ว่าตอนพิจารณาคนตายมันก็ยังไม่จีบเท่ากับพิจารณาว่าเขาตายจากไปอย่างคือทุกเนี่ยคือมันแบบแทบจะไม่มีอะไรยื่นออกมาจากตัวเลยค่ะหดหดไม่มีอะไรเหลือเลยเออเนีมันถูกจิตใจของเก่าลําพังแต่มาอยู่กับลงตาแม้แต่จะมีเข้าใจไดปัญญาขานาดแต่เป็นปัญญาที่เป็นความจําไม่เฉย พยยาาความจริงที่เกิดจากใจจะไม่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ไม่สามารถจะอยู่เงียบๆแล้วก็พิจารณาโดยที่ไม่เกิดจากสมมตว่าความจริงไม่ได้ต้องไปเห็นความจริงอยู่กับความจริงแล้วก็ยันหนีความจริงแต่ให้เอาความจริงนั้นนมาให้เกิดประโยชน์การจะ่เรจะหนีความจริงนะเอามาน้อมพิจารณาเอาความจริงที่เหตุทำหน้าตตาต้นที่เรารักษาคนไข้แล้วคนไข้ต้องลมหายไปจากไปไม่อเจียนก็ได้ เอามานอนพิจารณาที่สุดแล้วเราก็คงเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่อาจจะหนีจากนี้ไปได้หมอต้องไปอยู่กับความจริงพิจารณอยู่ความจริงเผชิญอยู่ความจริงไม่หนีความจริงนะ mm hmm. เกิดเกิดไปอีกถ้าเกิดอีกชาตินี้ไม่ไปสามารถทนทุกข์เกิดไอีกก็ต้องเป็นอย่างนี้เองไม่อาจหนีความจริงวิ่งหนีความจริงไปได้ เราจะหนีความจริงอย่างนี้ไปตะกีชาติเราเกิดมาก็เป็นหมอทัศน์ชาติเราก็ต้องรักษาคนไข้เราไม่สามารถจะช่วยเลือเขาได้เขาก็ตายกันต่อห น, น้าต่ตาเราเนหละเราก็ไม่อาจจหนีความจริงได้เพราะฉะนั้นต้องเผชิญความจริงแล้วเอาความจริงนั้นนะน้อมมาเกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองว่าเราเองก็ต้องแก่ เราเองก็ต้องเจ็บเราเองก็ต้องตายเกิดมาเป็นทุกข์ทำไมอยทุกข์อย่ากเกิดเลยเดี๋ยวกลับไปพิจารณาแล้วเดี๋ยวกลับมาส่งเลยว่าใจมันจะ <S <s <it> <S เป็นยังไงบ้างถ้าผเผชิญความจริงต้องกล้าเผชิญความจริงเราหนีความจริงมาอย่างเนี้เราเราหนีไม่ได้เราเราเป็นอย่างนี้แหละเราก็เป็นอย่างนี้เราต้องไปเกิดอีกแล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้อีก ยังไม่กล้าเก่าเราจิงต้องกล้าไปเช่นของจริงนี่แสดงว่าทาเนี่ยมันของใครของมันเลยแม้แต่งแง่มุมการพิจารณาก็แตก ต, า ต, ต, ต่างกันไปยากมากมาก จยากกันอากออกมากอลยเอาไมาาใ้ให้ก็เลยเอ า, เ, อาเราจะ ก, กันเอาแล้วงั้นก็แสดงว่าทุกคนนั้นก็ต้องพิจารณาให้มันเกิดความจริงที่ที่ใจทุกทุกทุกคนต่างตานเป็นได้ใช่เลยแล้วว่าจะพิจารณาไงถึงจะลงแก่ใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลย ซึ่งซึ่งเราเราเองก็ก็ก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องพิจารณาแง่มุมไหนถึงจะไปถูกจริตกับนิสัยเก่าใช่ไหมครับหลงตาถูกต้องเลยถูกต้องซึ่งแต่ละคนก็ต้องพินิษพิจารณาค้นหาด้วยตัวเองทุกคนนี้นะครับ